ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธชนทั้งหลายการมายายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอริยะอภุต ธ, ธรรมสูตรและกล่าวถึงความมาสจาจย์ในชีวิตของพระพุทธเจ้าเมื่อเช้านี้มีท่านผู้ใหญ่เป็นโทรศัพท์มาคุย ก็ไปฟังพระผู้ใหญ่ท่านบัญญายอบรมพระนวกะในวัดแห่งหนึ่งพระนวกะก็ถามปัญหาทึงถามอยู่ทุกคนทุกแห่งเรื่องผู้เจ้าประสูตมาแล้วธอดเด็จพุทธดำเนินได้ดยดยด้วยระบาดได้ 79. เจ็ดเก้าแล้วมีความเป็นจริงยังไงท่านจะคุณรูปนั้นที่จริงก็เป็นประเรียนธรรมทั้งก้าประโต์ เขาก็บอกว่ามันต้องอ่านหนังสือให้แตกคือมองให้ลึกก็เดินได้จริงนั่นแหละเพราะว่าผู้เจ้าสัตว์รู้เมื่อประชุดมาอยู่ตั้งสามสิบ้าแล้วหลังจากนั้นก็ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เจ็ดแคว้นก็แสดงว่าเดินด้วยประบาดได้เจ็ดเก้าทำให้ผู้ใหญ่ท่านนี้นั่งฟังอยู่ด้วยนะรู้สึกผิดหวังมาก ที่พูดโดยขาดความเคารพในพุทธวิสัยวิสัยของพุทธเจ้าบอกว่าอย่างน้อยก็เสนอแนวให้เลือกไว้หลายๆแนวอย่างดีอันนี้ไปไปตีความใหม่หมดเลยนะคร ท, ท, ทั้งๆที่ตัวพระบาลีจริงๆมันก็บอกไว้ชัดเราก็ไม่น่าเชื่อว่า คนเรียนมาขนาดนี้จะไม่รู้พระบาลีตรงนี้เราะอยู่ในมัชฌิมานิกายปาติกวักเล่มพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่้วนั่นเองนะฮะก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เพราะนก็ใคล้จะประรบเรื่องนี้เพราะว่ามันมีแนวเมื่อวานเ็าพูดกันที่ที่จันทบุรี เป็นการประชุมพวกกลุ่มผูวว้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศเลยก็ตั้งข้อสังเกตให้ที่ประชุมบอกว่าต้องต้องหันมากลับกลับมาจับหลักการที่พระเจ้าทรงแสดงเพราะทำไมอย่งางนั้นเราจะไปกันใหญ่จริงๆเมื่อวานทาไมไปจันทร์ก็ต้องไปประชุมเรื่องนิพพานใหญ่โตคนก็เถียงเรื่องนิพพาน แล้วเขาก็นัดหมายให้ไปประชุมแต่มาก็ไม่อยากจะตาบอดคำช้างก็ขี้เกียจจุม่มเอามาติดทีด่โน้นด้วยนะฮะหรือเขามีหนังสือมาให้เราเช่วยลงข้อความของเขาเรื่องนิพพานในเขาอธิบายว่าถ้าไม่ลงให้แเขาก็จะฟ้องแต่ก็มาก็ไปบอกว่าถ้าจะให้ลงให้ก็ต้องถอนคำพูดตรงนี้เสียก่อน คือถ้าคู่ไปจะฟ้องแล้วเราลงให้เนี่ยแสดงว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องก็ยังไม่ได้สอบถามเขาลกมติกันยังไงเพราะวานคือเราเห็นว่าการถูกเฉียงต่างๆจากการสังเกตเนี่ยเมื่อเราไปเช็คที่ไปที่มาดูนะมันเป็นเรื่องของคนที่ศึกษาไม่ตลอดหรืออ่านกันไม่ตลอด แล้วก็แนวที่เกิดเป็นทิศที่ยงสิบสองซึ่งอย่างไม่กล้าเอามาพูดนะครับเพราะว่าประสศุนีถ้าพูดมันก็ยาวมากพรเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่ถึงกับผิดหมดหรอกแต่ว่าเป็นความรู้ที่ไม่ตลอดเป็นวิชาไม่จะถึงอาวิชาเมื่อตึ๊ดตือหรอกก็เป็นวิชาเพียงระดับหนึ่งก็เป็นแสงสว่างระดับหนึ่งในลักษณะ กบที่ปลาที่เถียงกระเต่าอะนะปลาที่เป็นเพื่อนกระเต่าคุยเรื่องในสระมันก็คุยกันรู้เรื่องดีแต่ต่อมาขึ้นข้างบนบกได้ดเลยพอคุยเรื่องบนบกแล้วไอ้ปลายุ่งทุกทีเลยล้าก็ถือว่าเต่าโกหกโปรแกไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะที่จริงปลามันก็พูดถูกระดับสระน้ำน่ะนะ ถ้าไม่ถือก็ผิดไปเลยร้อยเปอรเ็นการการศึกษาอะไรก็ตามถ้าเราถ้าเราจับหลักเอาไว้ว่าถ้าเราพูดเรื่องพระพุทธศาสนาก็ว่าที่ปะไยบิดกมันเป็นผลงานที่ผ่านการกรันกรองการสังคกนาอยาอ่างต่อเนื่องของพระหันทั้งหลายตอนดูแลของท่านมาเรียบร้อยดีนะฮะไม่ต้องไปยุ่งท่านหรอกแล้วก็ มันก็เหมือนๆกันทั้งนั้นประเจ้ดปกในโลกเจึงน่าจะนํามานํามาประรบกันในเรื่องพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วเป็นพระพุทธพจน์นะฮะคือคราวหนึ่งพระเจ้าประทับอยู่ที่ประเชต ว, วันพระนนท์กับพระเทระทั้งหลายนั่งคุยบันประรบถึงความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า ในด้านของคุณธรรมก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความหลุดพ้นอย่างมหัศจัรย์มากๆคนจะคอยจับผิดพระพุทธเจ้าเรื่องศีลติดตามเป็นปีๆนะฮะไม่เคยเห็นความบกพร่องเลยเรื่องพลังสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการทำงานอะไรต่างๆวิธีการสั่งสอน กิจการฝึกคนทรมานคนมันทึ่งมันอัศจรรย์ทำได้ยังไงก็คุยกันอยู่เยอะก็ปรารถกาเนเยอแต่ยังหาข้ อ, อยุติไม่ได้อรีพุทธเจ้าก็เสด็จไปรับสั่งถามท่านเหล่านั้นว่าคุยเรื่องอะไรกันตัวนี้ท่านหลายได้ได้ลองสังเกตบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวมามา พยายามมองในแง่ของบรรยากาศคืออย่างที่เคยบอกไปว่าการสาพุทธศาสนานนให้ศึกษาในแง่ของประวัติศาสตร์ด้วยปัญหาข้อทีจจริงในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่ของธรรมะในแง่ของปฏิหาร์เพราะถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์ว่าพระพุทธเจ้ามันใกล้ชิดกับาศาสตรสนิท่อนอบอุ่นมากเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเป็นกันเองมากๆ เมาาื่อวันสื่มีโยมเข้ามาพูดถึงเพื่อนของเพื่อนของเขาไม่โกรธโกรธพระไม่ยมเข้าวัดก็กราบพระและพระไม่มองโกรธมากเออไม่ให้เกียดกันเลยก็เลยไม่เข้าวัดซะเลยอันนี้เราจเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างไม่เป็นมิตรเนี่ยนะฮะแต่พระเองก็เกินไปหน่อยนะเพื่อนกราบจะหยุดเช่นหน่อยก็ไม่ได้ก็หยุดแล้วก็กราบเช่นหน่อย แล้วก็ค่อยไปอนุโมโทนาให้สีนัยพรได้หน่อยมันทำเนียมก็เป็นเป็นอย่างนั้นแน่นะแต่แต่ของพระเจ้าไม่มีบรรยากาศอย่างเนี้ยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นบรรยากาศของความเป็นพ่อลูกความเป็นครอบครัวสูงมากเลยพระมหากรุณาพ้นการในพระนั่งคุยกัน แล้วพระเจ้าเสด็จไปร่วมวงคุยด้วยเนี่ยนะฮะอันมีอยู่บ่อยจากจากการสังเกตคือว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกซึ้งขึ้นไปพระชักจะไม่เคยเข้าใจแล้วหรือไม่งั้นเป็นเรื่องที่มีปัญหาที่ยังหาข้อยุติไม่ได้หรือไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องสาวไปถึงอดีต ว่ามองเหตุปัจจัยปัจจุบันนันเชื่อมโยงไม่ถูกแล้วไม่ต้องไปอดีตอดีตไม่เป็นเรื่องพุทธิยานแล้วคือความคิดธรรมดามันก็คงจะสาวไปไม่ถึงพระเจ้าก็เสด็จไปเราก็จะประลบเรื่องอนนท์อีกขึ้นตอนในจุดนี้ก็เหมือนกันเสด็จไปพระนนท์ก็กราบทูลว่าก็มึงคุยกันเรื่องอย่างเงี้ยประรบความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าคือต่างคนดังก็พูดขึ้นนะ่ะ แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องที่น่าสังเกตไม่น่าเป็นไปได้นะแต่มันเป็นไปได้ก็เรียกว่าอาัศจรรย์เนี่ยคือเรื่องอะไไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้อโอปราโนนพูดแล้วก็ขอขอพูดต่อนะท่านขอโอกาสพูดต่อเป็นพระพุท ธ, ธานุญาต่ฟังแปลกฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นเป็นภาษาที่ใชแปลก รับสั่งมาดูก่อนอนนท์ทมทั้งปวงกงปรากฏแจ่มแจ้ง แ, แก่เธอเถิดเป็นอนุญาตนะฮะอนุญาตให้พูดเป็นภาษาเป็นศาส า, า, า, า, าภาษาโบราณภาษาที่ใช้แปลกนะพ ร, ระราชนกกราบทูลถึงสิ่งที่ท่านได้ศึกษาสัตว์ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า มันคล้ายๆกับประสูตรประสูตรหนึ่งชั่งนานแล้วนะเคยพูดเรื่องเสขะปฏิปทาสูตรเป็นประสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระอนุ์รูปเดียวแล้วพระอานนุ์ก็นํามาเล่าให้พระสงฆ์รูปอื่นฟังตอบพระพักของพระพุทธเจ้าประสูตรนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นนะความว่าพระอนุลเคยแสดงแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยแสดงแก่พระอนุลมา พระนรินทก็จำไว้แล้วก็นำมากล่าวตอบระพักของพระพุทธเจ้าอีกตอนหนึ่งพระเจ้าก็ประทับฟังอยู่ด้วยแล้วก็จบลงโดยส่งอนุโมทนาแล้วก็เน้นย้ำให้ทำยังไงตามต้งควรแก่กรณีของมาสูตรตรงนั้นพระนรินท์ตัดต่อข้อความต่อข้อความจากเรื่องที่พูดเอาไว้ มันมาถึงองค์พระพุทธเจ้าย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคือก่อนที่จะปรากฏเหตุการณ์มาสจัย์มีศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้วิมุตติอย่างนี้วิมุตติมัยยานทัศนะอย่างนี้สามารถแสดงธรรมตระมัดคนอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็สาวกลับเขย้อนอดีตเรื่องอะไรก็ว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มันทยอยกลับเข้าไป สืบสาวไปถึ ง, ถงเทือกเขาเหล่ากอวงวานว่านเครือนะฮะแบบโบราณเนี่ยพูดคือก็สาวไปในด้านไหนอันนี้สาวไปในเรื่องของความอัศจรรย์ว่ามันไม่ได้มีเฉพาะเท่านี้จริงๆพระเจ้าอัศจรรย์ย้อนย้อนอดีตชาติไปเลยน ะ, ะก็ท่านเรียงไว้เป็นสิบแปดสบเกาขอโดยการการแรก พระนุนก็ยืนยันว่าข้าพระงได้สดับมาต่อพระภาคพระผู้มีพรยทัยพระภาคเจ้าซึงจ่แสดงแก่ข้าบรงว่าพระโพธิสัตว์ทรงมีสติสัมปชัญญะจุติไปถือปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นดุสิตก็หมายความว่า คนที่เป็นบ ร, ริษัทนั้นตายยังมีสติสมัชัญญะคือไม่หลงตายเราเชื่อกันในตำหนองว่าคล้ายๆก็ต่อจากพระเวสสันดรแล้วนะจะไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นดุสิตอันก่อนนั่งไปในรถก็ฟังกรมระชาสัมพันธ์เขาพูดเรื่องฉดกว่าพระพุทธเจ้านั้นก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เกิดมาหลายชาติ เดานับชาติที่หนึ่งที่สองที่สาที่สี่ก็นับมาเรื่อยนะนับจากชาติที่หนึ่งไปชาติประเตมีนี่คือคื อ, ค, อคือไม่รู้เรื่องเราเห็นในชาติเรามีปัญหาเยอะเลยการศึกษาภาษาศาสนาในตั้งคนตัางเอาไปพูดมันไม่ชาติที่หนึ่งมันไม่ใช่ชาติที่หนึ่งในมหานิบาศชาดกที่หนึ่งมหานิบาศชาดกมันมีอยู่สิบสิบชาติ แต่มันไม่ใช่ชาติชาตินั้นคือชาติที่หนึ่งชาติประเวสันดรชาติที่สิบหรือชาติเจ้าชาติทศธาชาติที่สิบเอ็แล้วก็นิพานเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นม่นจะผ่านการเกิดมาสิบเอดชาติแต่ว่านับที่มานิบาศชาดกันมานิบาศชาดกหมายความว่าเขานับตามลาดับคาถาชาดกไปเขาเรียงตามดับคาถามาอย่างเช่นเช่นว่าชาดกเนี่ยมีคาถาคาถาหนึ่งบาทหนึ่งบาทก็สองมันทัดนะนะ เขาเรียกว่าเอกานิบาตชาดกหมายความมีหนึ่งคาถาแล้วก็เรื่องหนึ่งก็มีทุกอนิบาตชาดกหมายความมีคาถาอยู่สองคาถาคือสี่บรรทัดเขาเรียงมาตามอย่างนั้นเขาเรียงมาอย่างนั้นเขาไม่ได้เรียงอะไรก่อนอะไรหลังหรอกเขาเรียงตามจำนวนคาถามากหรือน้อยไม่ได้ว่าถ้าคาถาเออมากแล้วจะเป็นชาติที่ใกล้กพระพุทธเจ้าได้เป็นจชาติจิะไม่ได้บอกอย่างนั้นนะนะครับในพระเภทสันดรเดียวก็เรียกคาถาพันนะคือมากที่สุด มีพันพระคาถาชาดกเราอื่นไม่ไมีไม่ถึงพันนะนะอันนี้ก็คือก็คือเรียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรียงว่ามีอยู่สิบเอชาติแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ทน่าที่น่าจะศึกษาให้รอบคอบแล้วก็ถ้าไม่น่าไม่แน่ใจเนี่ยก็น่าจะถามอะไรต่ออะไรกันไิ่ใชว่าเขียนเอาไปพูดกันยุ่งไปหมดเลย แล้วผลท้ายคนนี่ฟังเยอะนะฟังกลุ่มประชาต่างๆได้ฟังเยอะแล้วก็ติดใจจะเอาไปตอบตอ่อเอาไปสอนตอ่อแล้วก็ยุ่งกันใหญ่ไปกันใหญ่เพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าจุติจากพระเวสสันดรแล้วไปเกิดเป็นสันตุสิ ท, ทธิ์เทพบุตรแล้วก็มาเกิดเป็นเจ้าชายจิฐามันไม่ได้บอกอย่างนั้นนะนะบอกแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะ คือปฏิสนธิในถ้ำกลางเทวดาสวรรค์ชั้นดาวชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่มาของความยินดีและความคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลิอนอนินดีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพุทธมานดาพุทธปิดาพวกพระอาหารหันตุพวกมหาสาวกทั้งหลายเนี่ยส่วนมากก็จะเกิดแถบนั้น ก็เป็นการตายอย่างมีสติสมัมปชัญญะก็แสดงว่าจิตใจก็ผ่องแพ้วไปเข้าพาสิข้ออื่นต่อนะฮะเห็นว่าจิตป่องแพ่วก็หวังได้ว่าวังเกิดในสุกติเวลาทรงสแสดงอนิสงค์ก็การทําความดีทรงสแสดงว่าอสามมุนโขกาลังกรโจติคือไม่หลงตายความมรตายัางมีสติสมัมปชัญญะ ก็เป็นผลของบุญที่ประครับประคองจิตคนเอาไว้แม่กระสับกระสายประทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะตายแล้วเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก่อนจะดับจิตจิตก็ผ่องแผ้วผ่องแผ้วก็จะบังเกิดในในสุคติแต่ก็ไม่ได้บอกตรงนี้ก็บอกเออเป็นสวรรค์ชั้นรุสิตแล้วก็พระโพธิสัตว์ อยู่ในถ้ำกลางเทวดาสวรรค์ชันดุสิตนั่นเองยังมีสติสัมปชัญญะนั่นเป็นประการที่สองไม่ใช่ธรรมดานะฮะคนอยู่ยังมีสติสัมปชัญญะตลอดอายุนี่มันไม่ใช่ธรรมดามากเลยเพราะเราเองวันนบางทีเอาไม่ได้ชุ่วโมงนึ่บางทีเอาไม่ค่อยได้ตสติสัมปชัญญะปิดประตูห้องเดินไปตั้งเยอะแล้วสงสยัยอประตูปิดแล้วยังเดินกลับมาอีก แ, แสดงสติสมัญญมปจน์ย่ก็ขาดเยอะแต่นี้ท่านอยู่โดยมีสติสมัมปจน์ยังตลอดก็เป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์ของบารมีธรรมแม้ในขณะที่เป็นเทพบุตรว่าบารมีไม่เบานะฮะการที่คุมสติสมัมปญน์ได้ตลอดเนี่ยไม่เบาแล้วก็สถิตยอยู่ใน สวรรค์ชั้นดูสิทธนั้นตลอดประชนมายุเป็นประการที่สามตรงนี้ทำทำไมยังถือเป็นเรื่องอศัศจรรย์เพราะว่าเทวดาทั้งหลายนั้นจะจุติเพราะสิทธ์หมดบุญหมดอาหารหมดอายุแล้วก็เกิดความโกรธความโกรธนั้นจะตัดลด อ, อายุให้เ ท, เทวบทุจุติเมื่อไหร่ก็ได้คนเราเราจะเห็นว่าที่อยู่จนสิ้นอายุไขเนี่ยถือว่าเก่งมีบุญ ส่วนใหญ่มันจะตายจะในระหว่างเจ้าใหญ่ไปหมดเลยาะการที่เป็นเทพระบุตรแล้วไม่ตายจะในระหว่างอยู่จนหมดอายุนี่ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากยังมีสติสัมปชัญญะนะฮะยังมีสติสัมปชัญญะด้วยประการที่สี่เมื่อหมดอายุแล้วก็มีสติ กำหนดพิจารณาอะไรตรา่างที่ต่างๆเลือกมารดาเลือกประเทศเลือกการเลือกอะไรตรา่างเองหมดเลยว่าจะจุติยังไงจะไปเกิดที่ไหนแล้วต่อไปจะเป็นยังไงทำยังมีสติสมัชัญญาเพราะนั่นก็เป็นการเลือกได้อย่างที่บอกคล้ายๆกับคนซึ่งมีฐานะทาง เ, เศรษ ฐ, ฐกิจดีเลือกจะไปพักที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะไม่มีปัญหาเรื่องค่าที่พักคาาหาร ประการต่อไปก็เมื่อจุติแล้วก็ทรงถือปฏิสนธิในพระขันของพระชุ น, นีที่ปรากฏเป็นรูปช้างเผืกสุบินนิมิตนั่นปรากฏเป็นรูปช้างเผืกถือดอกบัวเข้ามาประหลังซีมหมามายาก็ทรงสุบินนิมิตว่าเป็นอะไรกันแล้วก็ในการที่จุตินี้เองมีเหตุการณ์มหาสิจันซึ่งนี้ก็เป็น เป็นได้แผ่นดินไหวแปประการที่ท่านแสดงไว้เนี่ยนะความมิตรผลิตของธรรมชาติจะทรงใช้คําว่าลมกําเริ่มพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตถือปฏิสนธิในขันมันดาพระโพธิสัตว์ประสูติพระโพธิสัตว์เสด็จออกออกผนวดพระพุทธเจ้าสัสรู้แสดงปทมเทศนาลงประชนมิยุสังขารนิพพานนี่ยนะนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในอัศจรร แต่ว่าตรงนี้พูดเฉพาะช่วงที่ประสูติอย่างเดียวก็มีเหตุการณ์ประโฏดปาฏิจารย์เยแยะไปหมดบรรยายไปเยอะเลยเขาว่าแผ่นดินไหวแต่ไม่ใช่ไหวแบบซานฟรานซิสโกพังวินาาสันเตโรอย่างนั้นนะฮะหมความว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ทราบว่ามีผู้มีบุญมาบังเกิดจนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นมิตรกัน ก็เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกๆคนตาบอดเกิดเห็นคนง่อยเกิดหายคนรใดไในหูหนวกเกิดได้ยินขึ้นมานี่เป็นปรากฏการณ์ทเทวสัจจ์แล้วก็เมื่อทรงถือปฏิสนธิแล้วขณะอยู่ในพระคั น, นั้นมีเทวดารักษาอยู่สี่ตนสี่องค์นะเทวดารักษาอยู่สี่องค์เพื่อไม่ให้เกิดภัยเกิดอันตรายแก่พระมารดาของพระปุธิสัตว์ แล้วก็พายพระมาณด่าเองพอลูกปฏิสนธิในคันเนี่ยจิตใจไม่อ่อยู่ในศีลตลอดหมายความรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นการรักษาศีลห้าที่ลึกมากๆนะฮะหมายความมารักษาได้ลึกมากๆคือเข้าถึงใจเพราะอะไรเพราะว่า นามพระไทยไม่มีความใฝ่ฝันในทางเพศไม่มีความรู้สึกไม่มีความต้องการในทางเพศแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือผู้ชายที่พระเป็นพระองค์รัตน์ไม่มีใครกล้าคิดเรื่องเพศเป็นพระบารมีที่สยบสยบคนคือให้รู้สึกเคารพนับถือเทิดทูนไม่มีใครกล้าคิดในทางเพศเพราะว่าเป็น เป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์ซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อไปแล้วก็พระมารดาทรงเพียรพร้อมด้วยกามาคุณไอตรงตรงนี้คำว่ากามรมคุณไม่ใช่เรื่องเพศนะ่ะหมายความมาด้วยรูปดีดีเสียงดีดกลิ่นดีดรสดีดสัมผัสดีดีตลอดพระชนม์ชิพไม่ใช่ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทรงรักขันอยู่แล้วก็พอประสูตรแล้วเนี่ยเป็นกฎเลย ไปกฎธรรมชาติเลยก็ถือว่าเป็นพระคันที่บริสุทธิ์เป็นผู้หญิงพิเศษที่สุ ด, ดนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อประสูติพระโอรสแล้วต้องชีวงคตอยู่กับโลกมนุษย์ไม่ได้แล้วต้องกลับสวรรค์ต้องไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิต ต, ต่อไปเพราะฉะนพอเจ็ดวันแล้วเนี่ยพระมารดาที่วงคตแล้วเป็นอย่างนั้นทุกองนะฮะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เฉพาะพระนางสิริ ม, มาฮามายา ตำนานพระพุทธเจ้าของเราทั้ง27 28ประองที่ที่ที่ประปุติเนี่ยพระชนนีจะเป็นอย่างนั้นประสูตยพระโอรสเสร็จเจ็ดวันก็ชีวงกอดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนันนะคือคือดีเกินไปที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็ต้องกลับเข้าไปสู่สวรรค์แล้วก็ผู้หญิงทั่วไปนั้นอาจจะตั้งคัน ถึงเจ็ดเดือนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ของพระนางสิริมายาแม่ของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะตั้งขันสิบเดือนพอดีพอดีทศมาศเลยสิบเดือนเลยก็ก็กดา น, นะฮะตามปกติลองถามหมอมันไม่ค่อยครบอ่ะเพราะว่าเป็นการตั้งขันที่พิเศษคือสมบูรณ์อยู่ตลอดระยะเวลาเจ็ดเอ่อสิบสิบเดือนพอดี แล้วก็ในขณะที่ทรงประคันเนี่ยนะฮะพระมารดาจะไม่มีพระโรคอะไรเบียดเบียนเลยพราะชนนีนั้นจะไม่มีพระโรคเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามที่หน้าที่น่าคิดมากตรงนี้ว่าคือสามารถมองดูพระโอรสในพระคันได้เหมือนกับมองแรื อ, อุนตาจาวะนะแต่ว่าดีกว่านะมองได้ชัดแล้วก็ อยู่ในคันที่แปลกคือนั่งสมาธิหันหน้าออกนอกอันหน้าออกนอกออกหน้าท้องอ่ะนะแทนที่จะหันหันหน้าเข้าหากระดูกสันหลังหน้าหน้าท้องก็พระชนีก็มองแล้วก็เห็นมีวิวัาสมบูรณ์ครบมีวิวัฒสมบูรณ์ครบตรงนี้ก็มีปัญหากันมาที่ว่าพระเจ้าพระโพธิสัตว์นั้นไ ม, ไม่ไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านขั้นตอนนั้นมา มันค่อยค่อ น, อนไปทางโอปปาติกานิดๆก็อยู่ในประคันสิบเดือนจริงแต่ว่ามี ร, ร, รากวรกายที่สมบูรณ์ตรงนี้ในยุคต่อมาในสมัยที่แตกเป็นนิกายสิบแปดนิกายก็ถูกเฉียงประเด็นนี้กันมากนะฮะว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่เนี้ยพระบาลีก็บอกนี้บอกว่าอย่างนี้ว่าประมาณดาก้มลงเห็นพระอรุรสมีอวัยวะสมบูรณ์ครบแลวการพระพักออกมาข้างนอก เราถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ปรากฏแล้วก็เวลาประสูตนั้นจะอยู่ในอียาบทยืนพระชนนีนั้นจะอยู่ในอียาบทยืนทุกองค์เป็นอย่างนั้นนะนะพระพุทธพระชนีนจะปราแล้วก็พระจุมาณว เ, เท้าออก นะเอาเท้าออกมาสำนวนพระอรรกถาจารย์ท่านบอกว่าเหมือนกับพระธรรมะถึกก้าวลงมาจากธรรมานะคือว่าเท้าออกนะฮะตามทังหลายที่เป็นพยาบาลอยู่ก็คงจะรู้ว่ามันผิดผิดผิดคนดทั่วไปคนทั่วไปรู้สึกจะคงจะเอาหัวออกแล้วก็พระมารดานั้นจะอยู่ในเรียบทยืนนะฮะแล้วก็เมื่อออกจากพระคันเนยเวดาจะรับก่อน แต่เมื่อรับออกมาแล้วเทวดา4ีองค์ก็รับต่อปอีกเที่ยวหนึ่งก็ให้ประชนนี้ดู ว, ว่าพระโอรสประทุแล้วแล้วก็วางโอรสลงบนพื้นนะฮะพระโอรสก็จะยืนด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าเทวดาก็จะกั้นฉาดให้โดยเสด็จเดินไปเจ็ดเก้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่มีปัญหาอยู่มากที่เราเจียงกันมาไปตั้งแง่ข้อสงสัยกับพระพุทธเจ้านี่แหละ แล้วมันติดอยู่ตรงนี้เยอะนะฮะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันมีตั้งสิบเก้าข้อมันไม่ใช่มีข้อเดียวหรอกมันมีตั้งสิบเกข้อเป็นขั้นตอนว่าต้องครบสิบเก้าข้อก่อนถ้านนายลองสังเกตว่าอัศจรรย์นในพระพุทธศาสนาที่จริงไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้มันมีเยอะไปแต่เราไม่ไม่สังเกตเองเราไม่คอยจับผิดตรงอื่นด้วย ชาติที่เป็นประเทมีประสูตรปั๊บมาระลึกชาติได้นื้ออกนะระลึกชาติได้มองปั๊บเห็นเพนดานเอาละเราเกิดตรงนี้อีกล่ะชาติก่อนโน้นก็เคยเป็นพระราชาในเมืองนี้ครองราชในเมืองนี้มีคําสั่งประหารคนไปหลายคนตายไปตกนรกนี่มาเกิดตรงนี้อีกอ่ะเอาละต่อไปก็เป็นราชาอีกก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของพระราชาต้องมีพระองค์ราชองการให้ประหารคนตามกฎ ใบกฎหมายแล้วต่อไปเราก็รับบาปตกนรกอีกแหละท่านเห็นเป็นวัตถจักเลยตรงนี้ว่าเกิดตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นปราชาทําหน้าที่ของราชามันก็กลายเป็นบาปพอ เ, เป็นบาปก็ตกนรกตัวเองก็ทนทุกข์ทรมานตอนเป็นปราชาก็ต้องทุกขทรมานตายไปตกนรกก็ทุกข์ทรมานแล้วก็ภาคคืนจะเป็นอีกมันก็เหมือนเหมือนการชาติก่อนอนนจะเลย เลยไม่ยอมพูดคือทำเป็นบ้าเพื่อไม่ต้องการจะเป็นพระราชาตอนที่เป็นพระเวสสันดรพูดได้นะพระเวสสันดรนี่พูดได้ขอสตังค์แม่เพื่อจะทำทานตอนที่เป็นพระโมโหสถก็พูดได้บอกแม่ว่าให้มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ให้บอกได้จะรักษาให้ก็มียาถือมาโดยติดมือมาด้วย เลารักษาพ่อเป็นคนแรกเลยเห็นไหมว่าเราเราเราไปสังเกตเองว่าพระโพธิสัตว์มันจะมีอะไรแปลกๆเพราะว่าชาติเด่นๆขึ้นมาชาติบารมีเต็มขึ้นมาจะมีอะไรแปลกเป็นปกติอยู่ด้วยมันไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนี้หรอกเราไม่ได้อ่านเองแต่ว่าคนที่มีความเชื่อนีเชื่อว่าเป็นพุทธวิสัยเป็นความสมเหโดยกาเนิดเป็นกรรมย น, นินี่เราอธิบายไม่ได้นะฮะ อย่างที่เคเล่าโยงฟังเดียว่าไอ้หนุ่มมันถามพ่อตาว่าพ่อพไอ้ห่านเนี่ยทำไมมันร้องเสียงดังอะพ่อไอ้ลูกเคยก็บอกไอ้พ่อตาก็บอกพ่าคอมันยาวจดุบอ้าวแล้วตัวอึ้งไม่มีคอทําไมมันร้องเสียงดังละพ่อมันก็ยุ่งอะ่ะไม่เป็นความสมบูรณ์โดยกําเนิดของมันมันไม่ได้เกี่ยวคอยาวคอสั้นนะคอยาวบางทีไม่มีเสียงก็มีคอสั้นไม่มีคอเสียงดังก็มีอยู่จะว่า ย, ยัางไง เป็นกรรมโยนิเป็นกรรมพันธุเป็นกรรมปฏิสารโนติโรสวตเนี่ยนะรัมันต้องดูอีกกรรมหนึ่งทีหนึ่งว่ากรรมที่ท่านว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่มความสําเร็จโดยกําเนิดของเขาทําไมนกบินได้ทําไมงูซึ่งไม่มีขามันเลื้อยไปได้มันความสําเร็จโดยกําเนิดมัน่ะเราเลื้อยได้เราเราเลื้อยไม่ได้ตั้งๆที่เรามีตั้งสองมือสองเท้าเราเลื้อยไม่ได้ทําไมเลื้อยไม่ได้เพราะกําเนิดเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น กำเนเราไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานนี่นะเพราะฉนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยที่จริงตรงเนี้ยท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่านพูดได้เฉพาะเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าพูดได้ตั้งแต่วันนั้นมาไม่ใช่ตรงนั้นก็ทรงเปล่งเขาเรียกอาศภิวาจาเป็นพระวาจาที่แสดงถึงความองอาจกระหารมากเราจะรงเห็นว่าตรงนี้จะรับสั่งสองครั้ง ครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะฮะและหลังจากตัดสุตรตอนพบกับอุปการชีวกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งสั่งสองครั้งข้ความเหมือนกันก็บอกว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเ ด, เด็เดียวก่อนเดียวก่อนพอออกจากพระครันเนี่ยพระพระมรกายไม่ได้แปดเปื้อนไม่ได้แปดเปื้อนด้วยคัาประมวลทิน่นทั้งหลายไม่ได้มีอะไรไเป็นบริสุทธิ์เหมือนกา แก้วมนันีเหมือนกับเพชรที่จริญได้มาอย่างดีแล้วก็มีทานน้ำร้อนน้ำเย็นไหลลงมาจากอากาศอันนั้นก็เราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวลำพานแต่มีน้ำไหลแล้วเทวดาเนี่ยปัญหาว่าเทวดาที่มามาอุบมมารับในคนเห็นหรือเปล่าคนที่อยู่ตรงนั้นก็เห็นหรือเปล่าว่ามีเทวดาจะได้ถ้าไม่เห็นก็เห็นเจ้าชายลอยอยู่แล้วเราจะเห็นว่าเห็นเป็นภาพเจ้าชายลอยอยู่ ถ้าไม่เห็นตัวเทวดาที่อุ้มมันก็เห็นเฉพาะร่างพระบุาษาีลอยแต่คนตรงนั้นเขาเห็นฮนะเขาเห็นกันอย่างนั้นแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตว่าการมองอะไรมันต้องมองต่อมาด้วยมันสิ่งหลายมันเชื่อกัการเหตุการณในอดีตนั้ น, ม, นมันสะท้อนมาในอนาคตอีกตั้งนานจากจุดตรงนี้คือจุดเด่นให้ลองสังเกตว่าจุดที่คนอื่นนะก็ตอนเนี้ย ไอตอนยืนประสูด น, นี่ไม่ค่อยอาจใรย์อะไรทลายหรอกว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ที่จังหวะบางทีก็คลอดในแท็กซี่ก็ยังมีเลยอย่าเอาไงทีนี้ปัญหาที่เด่นมากที่สุดก็คือเดินได้เดินด้วยประบาดาเจียนกาวที่เด่นมากเนี่ยมันผิดมนุษย์มานาสามัญชนก็เลยพระราชวงศ์ทั้งหลายที่โดยเสด็จนั้นตื่นเต้นในประเด็นนี้มาก แล้วพออสิทดาบทมาทํานายทีหลังพอพวกครามแปดคนมาทํานายทีหลังพระเจ้าชายติสตานนั้นไม่ใช่คนธรรมาดาได้จุดกระตุ้นนั้นคือเดินด้วยเจ็ดก้าวเพราะพระราชาวงศ์จึงมอบลูกของตัวเองทั้งที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยให้เป็นข้าราชบริพารถ้าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ขอโดยเสด็จถ้าเป็นพระพุทธเจ้าขอบวชโดยเสด็จแล้วเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ตรงนี้อีกสี่สิบกว่าปีต่อมาเนี่ยนะ พวกสักยานีที่ออกบวชพร้อมนางประชาบดีห้าร้อยนะไอ้นั้นคือพวกที่ฝังเนื้อฝักตัวไว้ตั้งแต่สมัยโน้นแล้วก็ที่ออกบวชแต่ละชุดแต่ชุดบางครั้งบางคนไม่ยอมออกบวชเช่นพระเจ้าพัติยะพระเจ้าพระอนุรุตเนี่ยไม่ยอมออกบวชญาตพี่น้องบังคับออกไม่ได้สัจจะปัญญาให้ไปแล้ว ไ, ไ, ไม่ได้พระราชวงศักยะนี่ก็ถือเรื่องสัจจะมากเลยยอมตายไม่ยอมเสียสละพวกเนี้ยแล้วได้ที่สุดญาติพี่น้องก็ต้องบีไปลูกหลานให้บวช แล้วก็บวชถึงชุดหนึ่งถึงห้าร้อยเราจะนึกว่าราชวงศ์ราชกุมารราชกุมารีออกบวชเป็นร้อยๆเนี่ยตายเลยนะบ้านเมืองก็ป่วนหมดตอนปลายราชสมัยตอนปลายเปีที่พระเจ้าจะนิพานที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าวิถุตภะโยคองทัพมาจีกับบินณฑพเพราะราชกุมารมันหายไปเยอะไปบวชไปหมดบ้านเมืองไม่มีใครดูแลมีฮะแต่มีกำลังน้อยไม่มากนั้นคือสิ่งที่ต่อเนื่องมา แล้วถ้าหากว่าท่านไม่เดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าแล้วเนี่ยพระญาติเหล่านั้นคือคือราชบงศักย์กยะยาอันนี้คือข้อเท็จจริงในแง่ประวัติศาสตร์เราต้องมองไปเที่ยวหนึ่งว่าราชบงศักย์กยะโกริยานะั้นเขาปกครองแบบสามัคคีธรรมองค์พระมหากษัตริย์ไม่ใช่ตัวอำนาจรถถาัฐาธิปัตย์แต่ว่าเป็นประธานสภากษัตริย์เวลาจะทําอะไรก็าประชุมหรือก็ลงมติเขาโหวตเจ้าชาย ทิตตถะเขาอาจจะแพ้บทได้พระเจ้าตโตตนะนักอาจจะแพ้โบทไ ด, ทาาจจทได้ในตำนานที่เป็นสันสกฤตบอกว่าเจ้าชายทิตตถะที่เสด็จออกพนวดก็เพราะแพ้โบทในเรื่องจะทำสงครามกับโบริยะเจ้าชาเทิะไม่ยอมไม่ทำสงครามแล้วพวกนั้นก็ต้องทำสงครามพวกก บ, บินลพัดนี่ต้องการทำสงครามยาชายสาเห็นว่าพูดกับญาติพี่น้องไม่รู้เรื่องแล้วก็มีแต่หลังเลือดบ่าวกรรมให้สุดก็เสด็จออกพนวด อาจจะเป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งหรืออาจจะเพราะเหตุนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ทรงรับสั่งเล่าไม่ใช่เพราะตรงนั้นเนี่ยนะฮะแต่ที่ที่ควรรู้เอาไว้ว่าตําแหน่งของราชกุ ม, มารเนี่ยมันก็ใกล้ใกล้เคียงกันน่ยใกล้ใกล้เคียงกันเหมือนกับพระเจ้าวราวง์เธอกับพระเจ้าพระวรวง์เธอนี่มันใกล้ใกล้กันนะลูกลูกลูกเจ้าฟ้าด้วยกันลูกเจ้าฟ้าด้วยกันมันก็ไม่ห่างอะไรกันนักหนาะแล้วก็สลับเปลี่ยนเป็นพระเจ้าแผ่นดินกันได้ ถ้าไม่อัศจรรย์แล้วพวกพระญาติก็คงไม่ถึงกับมอบกายถาวายชีวิตในลักษณะนั้นคือนี่คือคนที่เขาเห็นเขาเห็นอย่างนั้นแล้วเป็นเงื่อนไขยอย่างหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์ประสูตรกี่ครั้งก็ตามถ้ายังเดินด้วยประบาทเจ็ดเก้าไม่ได้ก็ถือว่ายัางไม่ตัดสิริความเป็นบรมีต่อไปอันนี้คือเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งสองสาสี่นับมาเรื่อยๆเลยพอครบแล้วครบไปยังสิบเกอย่างก็ไปยังค ร, ครบชาตินั้นแหะจะตัดสิริ วันตรงนี้ตอนที่รับสั่งเนี่ยฮะปอกประคันแล้วไม่เป็ดเปื้อนนมีทานไหมพอเหยียบแผ่นดินหันพระภาคไปทางทิศเหนือแล้วก็เสดไปด้วยพระบาทเจ็ดเก้าแล้วก็มองรอบทิศตงพวงอีกเพียนหนึ่งแล้วก็เปล่งพระวจาะอโคโหมัสมิโลกาสะเชิเสดเชิโทหมัสมิโลกาสะเสโธหามัสมิโลกาสะ เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกแล้วก็บอกชีวิตต่อไปของโรมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเกิดชาตินี้เราเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วแล้วจะไม่มีพบชาติอีกต่อไป มันเราจะเห็นว่ามันเป็นเงื่อนไขของบารมีธรรมที่คนมีบารมีเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องตัดสู้ที่คนรถโพลคนละเรื่องคนละตอนว่าประวัติพระพุทธเจ้าก็คือคนคนหนึ่งมันต้องมีประวัติศาสตร์ต้องมีประวัติศาสตร์มีพ่อมีแม่มีที่เกิดมีที่อยู่มีที่เรียนมีที่กินมีเสื้อผ้ามีอะไรมือนกับคนนั่นแหะคนมีอะไรพระเจ้าก็มีอย่างนั้นแหะ ไม่นิ่งๆไปโผลพูดหรือที่ต้นโพได้ไงไอ้สามสิห้าปีนั้นหายไปไหนนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องมองดูไปด้วยประเด็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าที่จริงเราควรภาคภูมินะภาคภูมิใจที่เราเป็นศาสนิกในศาสนาซึ่งมีศาสดาเป็นบุคคลพิเศษและความสำเร็จของศาสตาเราก็เป็นความสำเร็จด้วยความเปลี่ยนพยายามของคน คนคนหนึ่งตีดใช้ความเปียนพยายามต่อเนื่องมาในการสร้างพระบารมีเรื่การจะเกิดของคนประเภทนี้ที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่ทรงแสดงเรื่องยากสี่เรื่องเนี่ยฮะแล้วเราก็ได้ทั้งสี่เรื่องกิจโฉมนุสสะปฏิลาโพการได้อัตภาพมามนุษย์เป็นมนุษย์นั่นเป็นของยากเราก็ได้แล้ว กิจสังมัญจาในชีวิตต่างการดำรงชีวิตของคนเรานั้นเป็นของยากเราก็ได้แล้วอย่างน้อยในวันนี้ยังไม่ตายแล้วก็กิจสังตธรรมสวนรงการฟังพระสัจธรรมนั้นเป็นของยากเราก็ได้ฟังแล้วอิโชพุท ธ, ธานมุ ป, ปาโดการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ยากแล้วเราก็มาประสบศาสนาของพระองค์คือมันน่าจะมองด้วยความภาคภูมิใจ ที่น่าน้อยใจก็คือพระพระเราไปเป็นผู้เรื่องเหล่านี้ตัวเองทั้งทที่มีในพระไตรปิฎกอะมีตรงๆแล้วไม่ได้เรื่องอะไระนะมันมีไม่รู้จะกี่เล่มเรื่องตัวเนี้ยนะพระรังพระเริงนี่เขาลงไว้เต็มที่เลยตรงนี้เขาชื่นชมตรงนี้มากพระรังก็ไม่พูดประเด็นนี้นะฮะนักปาราชพระรังไม่ว่าพวกเซอร์เอ็ดวินอารโนล์อะไรตัวอะไรนี่เขาไม่พูด่ะเขาชื่นชมประเด็นนี้ แม้แต่พลังต่างศาสนาที่เขาสร้างนิ l e b u บุ h าเนี่ยเห็นว่าเอาตรงนี้มาลงเลยตรงนี้มันถือว่าจุดเน้นมากๆ ม, มันแสดงถึงกิษฎดาภินีหารแล้วแสดงถึงมนาะวาสนาบารมีที่สร้างคนจากสามัญให้เป็นวิสามัญเนี่ยเพราะนันพระพธิสตร์จริง ก, รก็เป็นเหตุผลวิสามัญเป็นบุคคลวิสามัญเราคิดด้วยเหตุผลสามัญไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเราทาไม่ได้แล้วคนอื่นทาไม่ได้ ไอ้ที่คนอื่นเก็ทำได้เราทำไม่ได้เยอะไปคือคือชาวบ้านก็สงสัยเด็กถามชาวบ้านสงสัยไม่แปลกก็เรื่องน่าสงสัยอยอหรอกที่จริงเราก็สงสัยนะฮะแต่ว่าพระโมไปพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสะลดใจเมื่อวานเราก็ประรบเรื่องนี้นะมาบรรยายตั้งสามชั่วโมงนะเมื่อวานแล้วก็บอกว่า ปัญหาศีลธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นที่น่าสังเกตเมื่อคือนเนี่ยเลขาธิการรัสภาพัฒน์เรื่องก็กําลังจ ะ, กะเกษียณก็เน้นเรื่องศาสนาศีลธรรมองคการสัมพนธชาติเองก็เน้นที่ศาสนาศีลธรรมแล้วก็เน้นวัฒนธรรมกันนะคือคนเริ่มกลับเริ่มกลับเลยเคว้งโพร า, าเราไม่ได้ศึกษามา ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนกันอย่างเป็นชิ้นเป็นอันนะต่างคนต่างก็รวยรัดกันใหญ่เลยนะเรียนรัดกันใหญ่เลยพูดกันไปเรื่อยเรื่อปัญหาความตกต่ําทางศิลธรรมที่เสียฐานไปถ้าเรามองประวัติศาสตร์เนี่ยนะเรามองประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าหนังสือที่มีอิทธิพลในสังคมไทยโบราณ น, นะนะั่นฮะตั้งแต่ยุคสุโ ข, ขทัยนะั้นมีอยู่สามสี่เล่มแต่นั้นเด็กมันมีเรื่อง ไตรภูมิมาร่วงทำใ่าไตรภูมิมาร่วมผู้เรื่องอะไรผู้เรื่องบาปบุญที่ควรจะรับผลในชาติปัจจุบันในชาติต่อไปไตรภูมิก็คือสามภูมิหมายความาเรื่องของชาติหน้าทั้งที่เป็นผลบุญทั้งที่เป็นผลบาปบาปมากบาปน้อยบุญมากบุญน้อยก็เรียงไว้เป็นไตรภูมิไตรภูมินั่นมันเป็นผลของความดีความชั่วนะฮะ แล้วก็ต่อมาเรื่องมาวิบากอันนี้รัตนรกสวรรค์โดยเฉพาะเลยมาวิบากนารกสวรรค์โดยเฉพาะเรื่องพระมาลัยเทเทวถนมาลัยเทวเถนนั้นเป็นการแสดงเรื่องนรกสวรรค์นำเชี่ยวพระอรหันนำเชี่ยวนรกสวรรค์เลยนะไปไหว้พระจุลามณีไปเยียบทนรกไปเจอกษัริคุดไปเจอกโยมบาลไปเจอกัพญาโย ม, ม, าา น, ยยมนะแล้วก็สอบผามบาปกรรมของคนนามาเล่า เขียนเป็นจิตกรรมฝาผนังนำไปสวดในงานศพนะสวดคาถาพระมาลัยในงานศพคนไปงานศพได้ฟังคาถาที่เป็นธรรมสังเวชตายไปแล้วไปบังเกิดใ น, นรกสวนอะไรแต่ะไรก็ต้องมีการสวดกันแล้วก็ไปเรื่องมาชาติเรียนว่ามาชาติบางคนเน้นการกระทาความดีวิถีชีวิตเป็นแบบชีวิต เรื่องมาชาติเนี่ยถ้าเรานํำมาวิเคราะห์ให้เป็นศาสตร์นะนะเป็นศาสตร์เป็นวิชาการอนยะ่างปรับเข้าตนนั้นตรง น, นั้นพระนางวัดศีแสดงอะไรออกมาพระนางผู้สตีแสดงอะไรออกมาพระเวทธนอนแสดงอะไรออกมาเราจะเห็นว่ามันเป็นทั้งรัฐศาสตร์ทั้งวิสเตโซบายทางการเมืองเป็นนิติศาสตร์เป็นศิลธรรมเป็นหน้าที่เป็นอะไรสังคมเรื่อยๆไปหมก็สะท้อนลักษณะสืบซั์ ดิสเหมนึกของบาปบุญคุณโทษจนถึงกับพูดถึงหนังสุนักหนังแผ่นทองคำที่จดจารึกชื่อกรดเห็นแวะว่านว่าจะหนังสือพวกนี้สามสี่เล่มพวนี้แล้วหนังสือที่แพร่หลายจากนราธิวาสถึงพันเยาถึ ง, ถงหน้าเจ้าหายไปเลยนะเข้าไปเชียงรุ้งไปหมดเลยตรงนี้เป็นการแสดงเรื่องบาปบุญคุนโทษทางั้นหนังสือ แต่ว่าประมาณทัก3สามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยสามิปี น, นะครับประมาณเนี่ยเราอวดเก่งขึ้นมาโดยคนอะไรล่ะเรื่อมาน้อยนอยใจว่าชาวบ้านทำในรกเฉยๆนะฮะชาวบ้านเนี่ยเาก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาก็ไม่ค่อยได้ศึกษามาแต่ว่าพลาเราเนี่ยไม่น่าจะไปกับเขาอะ เราเอาอันตรายการทิฏฐิสิบเข้ามาสอนตรงนี้อันตรายมากมากเลยอพยากตะเมตังปะกวาตาข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ส่งพยากรณ์ว่าอย่างนั้นนะ่นะที่จริงถ้าเราดูพระสูตรเลยมันใกล้กันมากเลยพระสูตรที่ทรงพยากรน่ะใกล้กับพระสูตรที่ไม่ทรงบรยากาศแสดงพวกนี้เปิดหนังสือไม่ตลอดเลืม่มไปใส่ไปเดเราไปเช็คดูไปใส่ไปเด็กห่างกันสองสามสูตรนั่นเองส่งพยากรเรียบร้อยเลยนะ แต่พยายามโดยวิธีหนึ่งซึ่งหมายความมาพูดกับเด็กไม่ได้เด็กไม่มีพุธิภาวะพอพอที่จะเรียนดังนั้ราอบรอ้อยเด็กม .5 เรียนเด็กสมัยม .5 ม .6 นะม .4 ม .5 ม .6 ให้เด็กม .5 เรียนโลกเชียงโลกเชียงหรือหรือว่าโลกไม่เชียงโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดชีพอันนั้นธรีระอันนั้นทนนี่ป็นอุตรด่านืว่าเนี่ยควังอย่างนี้ยังไม่ทันรู้เลย ชีพคืออะไรสัตว์คืออะไรโลกคืออะไรโอ้โหมันเป็นอภิปรั ญ, ญานะเขาถกเฉียงกันในระดับอภิปรั ญ, ญาแต่เราเอามาสอนเด็กแล้วพวกพระแล้วเป็นผู้นําตรงนี้ยังไม่หนำใจปฏิเสธในรกสวรรค์ตรงนี้ยังไม่หนำใ จ, เ, ใำใจเอาเอาการลามาสูตรเข้ามาอีกอย่าเชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นแม้แต่พ่อแม่เลยไม่เชื่อเลยอย่าเชื่อโดยอ้างตาํานาพูดไปพูดมารู้บ้างไม่รู้บ้างไงนะ เมืกโลกาณวัตที่แปลนี่แปลมั่วๆอย่างเงี้ยไม่รู้หมายความไงทุกวันใครเข้าใจกับมาโลกาณวัตบางที่ก็แปลแปรกันเนี่ยต่างคนต่างพูดนะฮะแต่คนต่างพูดหมายความยังไงโลกาณวัตชื่นชมโลกาณวัตเดียวโลกาณวัตดูตามศัพท์แล้วโง่นะดูตามศัพท์แล้วก็โง่มากเลยคือไหลตามชาวบ้านก็ไปเรื่อยๆไปไหนก็ไปด้วยอลไรแก่พวกขุนพลอยไปยากทั้งหลายเจ้าเห็นงามก็ว่างามไปตามเจ้าใครเล่าจะไปงามตามเสด็จ คำมืองตาหลิวก็หลิวตาตาไปนั่นแนวโลวกาณวัฏอย่างไงนะถ้าแปลตามศัพท์ไปนะถ้าแปลตามศัพท์เพราะฉั้นมั น, ม, นมันไม่ได้ไม่ น, นิยามออกมานิยามว่านิยามจริงๆนี่คืออะไรแล้วบางทีอะไรนะหมอประเวศก็แปลว่าโล ก, กสันนิวาสชาวบ้านไม่เข้าใจคำกระสันนิวาสเนี่ยนึกภาพไม่ออกอีกและวนึกภาพไม่ออกอีกนี่ก็คือก็คือคือเราไม่ได้ศึกษาให้เกิดความเข้าใจ ว่าทรงเนี้ยที่จริงไม่มีปัญหาหรอกคนที่เราสอนแต่ต้องดูสอนตรงไหนแดี๋ยววันก่อนวันก่อนที่เคยเล่าให้ฟังว่าเอาเอาอนัตตาไปสอนกระชาบ้านนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไอ้หนุ่มมันฟังมันไม่เข้าใจอะไม่ใช่ของเราเลยหลวงพ่อเทศเสร็จคนก็ถวายปัจจัยทายธรรมเด็กก็ขนเดินตามมังกรติไอ้หนุ่มก็เดินตามไปว่าเด็กวัดวาไอ้หนุ่มก็หยิบเลย หลวงพ่อถามมัายิบไปไหนเอ้าก็ไม่รู้ต่กี้หลวงพ่อบอกไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของหลวงพ่อผมก็ขอเดีหลวงพ่อท่านหัวแหลมไหมนะท่านบอกว่าเออไม่ใช่ของข้าเลยข้าให้ไม่ได้หลวงพ่อก็หัวแหลมไหมมันพูดไม่ได้นะอนัตตาไปจะพูดอย่างนั้นได้ที่ไหนพูดไปพูดมาบุญบาปมันหมดไปด้วยนะไม่ใช่ตัวใช่ตนด้วยเมื่อเราพูดอนัตตาพูดในห้องกรรมฐานอย่างนี้ได้นะพูดในกลุ่มคนดี่เขาศึกษามาเนี่ได้ มันเป็นวิปัสสนากรรมฐานมันพูดไม่ได้กับคนทั่วไปอ่ะวันเดียวพ่อแม่ก็ไม่มีอ่ะบาบุญก็ไม่มีนรกสวรรค์ก็มีเสร็จหมดเลยเว้งหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนพระอานเออพระปัญญบคีรเมื่อปัญญบคีเป็นพระโสดาบันแล้วนะสอนเนื้อหน้าตาเนี่ยต้องดูตรงนั้นเลยพระเจ้าสอนใครไม่ได้สอนกับเด็กสอนรื่อนัตตาไม่ใเจตัวไม่ใเจต้นไม่เจเราไม่เจเขาอย่ายึดมั่นถือมั่นนะยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนกันแต่เขาไม่ได้สอนทั่วไปหรอก มายึดมั่นถือมั่นได้ยังไงอะอนั้นก็พ่อนั่นก็แม่นั่นก็ลูกนั้นก็บ้านนั่นก็รถไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ไงเพราะว่าไอ้ความรู้สึกเป็นของเราเนี่ยทำให้เกิดการอารักขาดูแลเอาใจใส่อื้อเฟือมาโลกบางทีเขาพูดเรืยนะไม่ยึดมั่นถือมั่นทางมนพูดยึดมั่นถือมั่นเขาพูดอีกระดับหนึ่งระดับวิปัสนาพูดตัวทั่วไปอะนี่คือคือเรื่องที่เราต้องมองว่า พระพุทธศาสนานั้นถ้าเราอยไปยุ่งกับท่านนะนะท่านว่ายังไงว่าอย่างนั้นเลยอธิบายว่ายังไงอธิบายอย่างนั้นแหละแล้วจะเรียบร้อยหมดเลยพระศาสนาจะเรียบร้อยหมดเลยแล้วจะเดินไปรูปธรรมได้เรียบร้อยแต่ไปเนี้ยเราไม่ศึกษาแต่เราก็ใช้วิธีเรียนรัดเมื่อคืนเนี่ยกลับมันดึกแล้ว ไปตัวราาักษาไปหาพวกผู้กันวอรให้ไปเช็คดูแอรบัญญัติสิบกข้อที่อาจารย์เต็มเคยพูดนะฮะเป็นลักษณะของประชาชนที่ด้อยพัฒนาสิบกข้อเนี่ยบอกเป็นเรื่องที่น่าจะน่าเอามาดูแล้วก็ไปตรวจสอบดูในเ อ, อเมริกาหน้านะฮะก็บอกเขาอธิบายลักษณะประเทศที่ด้อยพัฒนาคุณภาพประชากรเป็นยังไงยังไงบ้างลักษณะสังคมเป็นยังไงเศรษฐกิจกเป็นยังไงใใจิตใจของประชาชนเป็นยังไงนะฮะความเชื่อถือ โลกธัต์ค่านิยมของคนเป็นเป็นยังไงสิบสบกข้อทั้งหมดก็ปรกากฏว่ามีคนไปไปตัดเ ก, เก็บไว้นะมาก็เก็บไว้มาพันว่าจะเอามามาศึกษากันดูจริงหรือเปล่าที่เขาพูดเนี่ยหรือว่าต้องการด่ากระทบประเทศไทยอกีกวันก่อนดาวมาทีอีกสามที่ภาข้อทีอีกนะวันก่อนเนี่ยลักษณะสังคมไทยดอ น, นวอป อ, อ, อเลยเป็นงานวิจัยที่วอป อ, อ ว่าจะไม่มีเดียก็นี่ก็คือเรื่องเรื่องที่เราไม่มีลักษณะคล้ายคล้ิงสู่ก่อนหามแล้วก็มองมองอะไรไม่ตลอดสายว่ามันเชื่อมกันดังเยาะเห็นว่าบทบทปีสูตรเนี่ยสี่สิบกว่าปีต่อมากาพ็พิสูตรตรงเนี้ยคนเป็นพั น, พ, นพันนะทิ้งสมบัติพัสดถานหมดเลยเพื่อรักษาสัจจะที่ตัวให้ไว้ในสมัยเจ้าชายประสูตแล้วเดินด้วยประบัทได้เจ็เก้า วันจุดตรงนี้มันไปสอนตรงไหนอีกอะไปสอนตรงนิพพานที่บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายความเกิดใหม่ย่อมไม่มีมาความพระองค์ไม่มีความเกิดะจะเกิดโดยอะไรก็ตามไม่มีการเกิดแล้วพบใยมันไม่มีแม้แต่เรื่องเถียงเรื่องนิพพานกันเกิดกั น, กนคือว่าที่เฉียงกันนิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตานิพพานเป็น อัตตาวิมุตต์อัตตาวิมุตต์คือพ้นจากอัตตานะฮะสํานวนมันเล่นธรรมเฉยๆโดยทีมันเล่นธรรมเฉยๆอัตตาวิมุตต์พ้นจากอัตตก็พ้นจากตัวตนก็คืออนัตตาคือไม่มีตัวตนอ่ะไม่มีก็พ้นมันก็คือการน่ะทีนี้ประเด็นประเด็นสําคัญว่าถ้าท่านเป็นอัตตาเนี่ยอัตตานั้นอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนคนนิพพานมาเยอะในพระานท่านนิพพานไปเยอะแล้วไปอยู่ตรงนั้นอยู่ทําอะไร เสวยสุกอยู่หรือว่านั่งเฉยๆแล้วทําไมไม่มาดูแลลูกศิษย์ลูกหาบา้างสารเสด็กเดือดร้อนกันจะตายก็พระเจ้าเขามาเยี่ยมคนเขาเรื่ยพระพุทธเจ้าเราไปอยู่ที่ที่ไหนที่อา ญ, ญาตาในผ่านที่ไหนแล้วมันไม่มีพราบพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงพบไปเพราะพบของพระอาไม่มีพระองค์มาแล้วเนี่ยนติดานีปนุนาภะุโภยามัญดิมาญาติญาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนติดานิปุนพภะพบใหม่ไม่ได้มีแล้วว่าทุกแข่ง พระรหันทั้งหลายที่ท่านบรรลุกมคผลเป็นพระหันท่านก็พูดอย่างนั้นเป็นอุทานในพุทธอุทานนะพวกอุทานทั้งหลายเนี่ยพวกเรียกอปาทานเถรีปาทานเทรปาทานเนี่ยพระรหันเวลาท่านท่านท่านบรรลุกมคผลเนี่ยท่านท่านท่านจะอุทานคือเปล่งเป็นอุทานเป็นปีตินะฮะเกิดปีติขึ้นมาพระเจ้าเองก็เปล่งนะฮะนั่งคนเดียวจะเปล่งเป็นรูปพุทธอุทานแล้วเล่าคนนึงเขฟัง นี้ก็เป็นแสดงสถานะของพระองค์แล้วก็ชีวิตต่อไปของพระองค์ก็จบกันที่ชาตนี้ก็เป็นแล้วในขณะที่ทรงประสูตินั่นเองก็ปรากฏเหตุการณ์ได้มาศจั่นโดยเห็นว่าตอนจุติกับตอนประสูตินี่มีเหตุการณ์มาสจั่นเกิดขึ้นในโลกขอข้อความทั้งหมดโดยเห็นว่าสิบแปข้อนะฮะสิข้อ ที น, น, นี่ในตรงเนี้ยพระพุทธเจ้ารับสั่งรับสั่งเน้นตรงนี้เป็หน้าเป็นน่าน่าจะอ่านามาลอกมาแต่ไม่ลอกมาลอกมาโดยความนะฮะอานนท์เพราะฉะนั้นแหละเธอจงทรงจํำทำรรมไม่น่าเป็นไปได้น่าอาัศาจรรย์ของตถาะท้องตาถาคตแม่นีไว้เถิดเด่นนะฮะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าว่าอัศจรรย์มันไม่น่าเป็นไปได้ แต่ขอยจำไว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามี่เจปดเก้าถึงสิข้อยังเงี้ยแล้วก็รับสั่งว่าอานุนเวทนาสัญญาวิตกของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไปหมายความว่าสติสัมปญะที่สมบูรณ์เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาน่ะดูดูเดี๋ยเกิดเกิดดับเกิดดับแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นได้ตังต่อเนื่องไปเหมือนก็เห็นกระแสไฟที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ย ไม่ใช่ธรรมดานะฮะอย่าธรรมดาลงนั่งดูก็ได้นะพวงนี้กับกรรมฐ า, านนะฮะเวทนานั้นคือความสวยอารมณ์ความสุขความทุกข์หรือ ก, กลางๆหยาบๆนะเราพูดเวทนาสามว่าผู้เจ้าเห็นนะั้งเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปเกิดขึ้นนั้งอยู่ดับไปเห็นเนี่ยต่อเนื่องไปไตัวสัญญาความจามําก็เห็นการเกิดกับสัญญาความตั้งอยุดสัญญาความดับสัญญาเกิด ข, ขึ้นตั้งหยุดดับไปเหมือนกันวิตกความตรึกคิดพัน์ ทานกระแสความคิดตลอดนั่นก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นนะนะไม่ไม่ใช่เฉพาะตอนนี้เป็นพุทธยาแล้วแม้แต่ตอนโ น, อนนะ้นตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เพราะเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในไตรเหตุไตรเหตุคืออะไรก็คือมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากเท่าไรก็ใจมันก็ผ่องแพ้วผ่องแผ้วองค์ก็มีสติสัมปชัญญะเพื่อต่อใเหตุภูมิธรรมสติปัญญา จ, จะสูงยิ่งหย่อนก็ก็แล้วแต่ว่าความโลภโกรธมันลดลงไปได้มากเท่าไรตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเป็นการเล่าของพระพุทธเจ้พาพระเจ้าทรงรู้ยังไงทรงรู้ด้วยประญยั รู้ที่เล่าประวัติพระพุทเจ้าองค์อื่นมาพระวิปัสสีพระสิกีเระสัพพโกนคมกสุโคมัคมนแต่ก็เล่ามาตลอดพระโพธิสัตร์ทั้งหลายนั้นเหมือนกันเหมือนกันในเชิงรูปรูปร่างนะฮะรูปร่างเหมือนกันมหาโริสัตลักษณะ3 2มประการนุยานยนาแปประการพ่อแม่อ่านต่างกันเป็นพราหมณ์ก็มีเป็น ก, กษัตริย์ก็มีนะฮะรูปร่างสัดส่วนสูงต่ำภาพกัด แล้วก็ใช้ความเพียรพยายามยิ่งหย่อนไม่เหมือนกันนะนะแต่ว่าตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเพรเป็นผู้เจ้าเราเหมือนกันผู้เจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองคนไทยเราเราจะเห็นว่าปล่อยการเวลาให้ไปรอคอยศาสนาพระสีอ่านอยู่เยอะเลยเราไปก็ภาสีอ่านนะแต่นม่จะเป็นพระสีอ่านมันไม่จําเป็นนะพระสีอ่านก็ไม่ได้เป่ากระห ม, อม่อมเรามันรู้มรรคผลได้ ภาษิอันน่านก็ทำได้แค่สอนเหมือนกันลักษณะตรงนี้ในสิบหข้อที่ว่าเนี่ยมันก็มีน่าคิดนะข้อหนึ่งท่านบอกว่าชอบชอบเกาะ อ, อิงขอการอำนาจการดลประดาลการช่วยเหลือการช่วยเหลือจากปจัภายนอกนะฮะเราจะพบว่าคนกรวนหนึ่งเนี่ย เบนี่เราเราจ เ, เห็นว่าอะไรเที่ยวขลังๆเมื่อวานไปไปไปจานนาเห็นวัดวัดดึงมีพัตถุรูปเดินพระพุทธรูปประทับยืนแล้วมีพระอะไรกวนอิมกวนอิมยืนยข้างหลังพระกุฏยืนี่องค์ใหญ่กว่าพระกุฏรูปสิเอิมทําอะไรกันนะเออทำอะไรกันพระกวนอิมสมมติว่าท่านมีนี่ท่านก็เป็นแค่พระโพธิสัตว์ท่านั้นเองนะแต่ตามประวัติศาสตร์จริงๆไม่มีนะฮะนี่ มันเป็นเป็นเหตุผลที่การต่อสู้ระหว่างอิสลามกับฮินดูเป็นการจําลองบุคลิกลักษณะของปนาลัยของพราหมณ์ออกมาเป็นพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนโพธิสัตว์แยกตัวเองอาเป็นเจ็ดภาคแล้วภาคหนึ่งเป็นผู้หญิงก็ชื่อว่าควนอิมนะอยู่ที่เกาะทะเลใต้ลเลยตะวันออกเลยนะก็เป็นตำนานเทพเจ้า อนุตราจารย์ชิงไห่เป็นพวกเวียดนามคนไทยก็เนี่ยขนาดขนาดอะไรนะกดหน้าผากตรงนี้นิดเดียวจะอะไรหายทุกไปไล้มันเก่งมากเกินไปเนยะแล้วคนก็ไปได้เวรกรรมอนเนี่ยแม้กดหน้าผากทีเดียวหายเลยยากแก้ผิวอะไรก็ บ, บางดังหมูงหว่างไอ้นี้น้ำร้อนลวก ไอ้เ น, นี้ยคือคือทำยังไงนะมั น, ม, นมันจะแก้ไขยังไงไอ้เรื่องที่ไม่ควรเชื่อกลับไปเชื่อเรื่องที่คนไม่ควรเชื่อกลับไม่เชื่ อ, อยานะั้นเอามาต้มคนเนี่ยใส่กระปุกเขไปทากายสิทธิ์พิสูจน์โดยน้ำร้อนรานแล้วก็ทาว่าคนที่จะรู้ว่าถูกต้มเนี่ยเงินไทยหมดไปหลายร้อยล้านแล้วมันลองไอค้คนเราขวดอะ ลองคนละกวดคนห้าสิบแปดล้านคิดว่าลองตั้งสามสิบสามสิบล้านน่ยนะตอนสามสิบล้าน เ, นะ อ, นานเอาสักยี่สิบล้านก็รวยแล้วไม่ทำงานกวดหนึ่งกี่ร้อยไม่รู้นี่คือตรงเนี้ทาไมไม่ใช้กาลามาสูตรอเออกลับเรื่องควรใช้การามาสูตรไม่ยอมใช้เพราะเรื่องที่ไม่ไม่จำเป็นน้องใช้เพราะพระพุทธเจ้านะั้นเป็นฐานความเชื่อพอแล้วกลับ ไปอยากจะใช้กาลาปะสูขึ้นมาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเรากลับเป็นเครื่องมือให้เขาคือทำให้นึกถึงาอาณาจักรกอไัยที่กอไัยมันมาปรารบการว่ามนุษย์ที่มันโหด ร, ร้ายเหลือเกินตัดโทษพวกเราไปสารพัดเอาตั้งแต่ใบทั้งแต่กิ่งเอาหมดเลยของเราทั้งหมดทำยังไงกันดี ก็พายอาุโสก่อนหนึ่งก็อบอกว่ามันที่จริงมันป้องกันได้ถ้าพวกเราไม่ยอมเป็นด้ามให้เขาอ่ะพราพระที่ตัดไม้ไผ่เนี่ยด้ามเป็นไม้ไผ่นะนี่ปัญหามันจำการว่ามันด้ามมันเกิดเป็นไม้ไผ่แล้วต้องลงเป็นเป็นด้ามให้เราเนี่ให้ให้พระเนี่มาตัดเราเองเพราะฉะั้นหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยที่ยุ่งนี่คือชาวพุทธเราทำมายุ่งเองแล้วพระเองก็เกิดไปทำํำมายุ่งด้ามเขาด้วย ว่าทำยังไงถึงจะช่วยกันดูแลตัวพระธรรมตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าอยู่ในวิสัยที่จะพูดได้ก็กระตุ้นเตือนให้สติว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องใช้ศรัทธาเอาแต่มันสามารถพิสูจน์ด้วยปัญญาได้แล้วที่จริงไม่ใช่ประเด็นหลักหรอกมันเป็นประเด็นของพระพุทธเจา้าที่จะได้จัตสรู้เท่านั้นเอง ว่าถ้าพระองค์ยังไม่เดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าปริงอาสปิวาจาออกปานเช่นนี้จะไม่ยังไม่ตรัสรู้หมายความต้องเกิดไปเรื่อยๆเกิดไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งครบสิบเกข้อแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าเพียงแต่พูดเฉยๆถ้าเพียงแต่ระลึกชาติได้ถ้าเพียงแต่รักษาคนได้เพียงแ ต, ต่ตอบ ป, ปัญหาได้อะไรจะไดเนี่ยนะซึ่งก็มีอยู่ในประชาชาต่างๆอยู่ใช่เนี่ยยังไม่ครบสิบเก้าข้อ มันจะดูคล้ายๆกับยานะมันมีเครื่องปรุงสิบเก้าอย่างมันต้องครบสิบเก้าอย่างไปก่อนจริงยรักษาโรคนั้นหายได้ตามที่หมอเขารับประกันผลเอาไว้ตรงนี้ที่จริงเป็นเงื่อนไขนะเป็นเงื่อนไขของบารมีทบารมีทำได้ค่อยๆเติมขึ้นค่อยๆเต็มขึ้นค่อยๆเติมขึ้นรื่งบารมีเป็นเรื่องชี่เาเรียกภูเพกตะปุญญาตาเราดูไม่ออกหรอกเอ๊ะทาไมคนนี้มันมาได้ยังไง มาได้ยังไงมันเป็นได้เมือ่อวานวันซื่นเดียวมันตือแล้วนะพูดกับพระใหม่เนี่ยคือยกตัวอย่างสมเด็จสังราชวัตนราชพิธเนี่ยมันเป็นพระองค์ดีน่าอัศจรรย์มากเลยครับเนีเ่นยมาเลนะืเล่อนลอยมันเลยนะเลื่อนลอยมันเลยมามาไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสังราชได้ดูประวัติแล้วไม่น่ า, ไ ม, นาไม่น่าเชื่อเลยท่านมาแล้ท่านได้เรียบเรียบเรียบเรียบแล้วก็ไม่ชงช่างไม่มีอะไรผือหวาไม่มีอะไร ทะเลคลื่นลมก็ไม่แรงไม่ต้องประทะอะไรมากมา่ด้ๆเป็นสังกดังกดกด็เปนต้ต้องนานสิาปีกว่าเลยป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอบอกไม่มีทางกลับแล้วสมเด็จหายเดินฉุบๆไปอเมริกาไปทั้งกระบวนคนอื่นเป็นหวัดหมดท่านไม่เป็นองค์เดียบมันมีบุญจริงๆเราออกนี้แปลกจริงๆอาจารย์จันนะวาดนะท่นชื่อวาดวาสนา เป็นพระอาจารย์และป ร, ะริญสีประโยคตอนนั้นเองยุคสมัยนี้ไม่น่าเชื่อป ร, ริญสีประโยคเป็นทา้งราชได้เป็นได้ฮะด้วยความรอบรู้แตกฉานมากนี่ ก, ก็คือก็คือเรื่องเรื่องใหญ่บารมีฮวัสนาบารมีเด็กเลี้ยงควายที่กรุงเก่าท่านเล่าประวัติและท่านให้ฟังตอนท่านเป็นสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์เล่าไปเล่าไปน้ําตาไหลาพลากไปพวกพระเราก็นั่งซึมไปหมดเลยไปนั่งฟังท่านอ่ะ ต อ, ตอนเลี้ยงพายไปยังไงลาบากเลือดรอนยังไงกยยงไง็ล่ามาก็ไปนี่คือบุญบุเพกตาปุญญตาเป็นคนที่มีบุญพระพุทธเจ้าเหนือไม่รู้สักกี่สิบเท่านะฮะอย่างนั้นก็ขอเรื่องบางเรื่องเนี่ยให้ยกถวายพระพุทธเจ้าและช่วยดูแลรักษาหลักการถึงนี้เอาไว้ด้วยเพราะเป็นพระพุทธวจนะฉบับวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญวอกงามเปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ